อคอนโนโมทนากับพวกเราเนี่ยที่ตั้งใจในการจะฟังพระสัทธรรมแต่ในวันนี้จะได้บรรยายพระธรรมเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการฝึกในเรื่อ ง, องการเจริญเมตตากันนะในเรื่องของเมตตาพรมวิหารเนี่ยเคยพูดไว้ค่อนข้างหลายครั้งแต่ในยาเห็นการนำใบ ป, ปฏิบัติค่อนข้างเยอะไม่ค่อยจะได้ทำกัน เป็นกิจลักษณะทีนี้ในวันนี้ก็อยากจะเริ่มในลักษณะอย่างว่าในขณะที่พวกเราทั้งหลายฟังพรมวิหารและธรรมในวันนี้เบื้องต้นก็ฟังพอเป็นกิจลักษณะเล็กน้อยแล้วก็ฝึกในการที่จะเจริญพรหมวิหารโดยเฉพาะในข้อของ เมตตาภาวนาที่เน้นในเรื่องการฝึกในเรื่องของเมตตาภาวนานะั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเออทายังไงเราจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนํามาใช้ในชีวิตจริงๆให้ได้เมื่อเราสามารถนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตจริงๆได้แล้วเนี่ย ผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญหรืออบรมเมตานั้นจะได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงโดยส่วนมากเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะท่องแล้วก็จะบริกรรมกันว่าอาหางสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเป็นต้นหนะึ่งจะท่องแต่เฉพาะในเวลาที่ตรวจมนทำวัดเช้าแล้วก็เย็นหรือในขณะที่เราฟังการทำจบแล้วก็มีการ แผ่เมตตากันบ้างลักษณะแห่งการแผ่เมตตาหรือการท่องเมตตากันอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นไม่ได้ฝังแน่นไปในอัธยาศัยเป็นการพูดเมตตาหรือว่าท่องคำเมตตาโดยมากก็บางคนก็ท่องแบบ ล, ลอยๆแต่ในจิตใจก็ไม่เกิดความลึกซึ้งหรือเกิดความซาบซึ้งในเมตตาพรหมิหารธรรมเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า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 บางคนไปคิดว่าเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องพื้นพื้นที่จริงถ้าพูดถึงในเรื่องของเมตตาแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องพื้นพื้ น, นเนี่ยเพราะว่าลักษณะของเมตตาเนี่ยเป็นความรักเป็นความปรารถนาดีหรือเป็นความปรารถนาความสุขให้กับบุคคลอีกแต่การที่จะเรามีจะมีความรักความปรารถนาดีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นอย่างแท้จริงได้นั้น ก็จะต้องไปเห็นหรือรู้จักรลักษณะที่แท้จริงของของเมตตาให้ดีถ้าไม่รู้จักรลักษณะของที่แท้จริงของเมตตาเนี่ยนะเราก็จเจริญเมตากันไม่ถูกในเบื้องต้นเนี่ยจะกล่าวใจความของพมวิหารโดยย่อแล้วก็จะขยายเข้าสู่บทเมตตาแล้วต่อไปก็จะนำพวกเราทั้งหลายเนะี่ย ในการที่ปฏิบัติกันคือฟังกรรมฐานกันไปด้วยยออฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็ทําจิตให้สงบแล้วก็ส่งใจไปกับอารมณ์กรรมฐานไปด้วยการทำกรรมฐานเนี่ยนะกรรมฐานบางอย่างเออถ้าไปทาคนเดียวแล้วมันไม่เดินถ้าใส่บุคคลที่เขามีเมตตาหรือท่านที่รู้พอสมควรเนี่ยนำทางให้เนี่ย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 คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ยเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ยิงๆและเป็นที่พึ่งให้กับสัตว์โลกได้จริงและหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นที่พึ่งให้กับเราได้ด้วยเพราะมีความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตัวความเชื่อมั่นตัวศรัทธานี่แหละจะเป็นตัวเปิดช่องทําให้เมตตาภาวนานั้นเน่ะไหลเข้าสู่กระแสจิตใช นอกจากเมตตาภาวนาไหลสู่กระแสจิตเพราะสายเมตตาเป็นตัวเปิดช่องแล้วเนี่ยก็จะต้องอาศัยความเพียรความเพียรในการที่ว่าจะมีความบากบั่นมีความพยายามในการที่จะทําให้กระแสจิตนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็หมายความว่าทําเมตตานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดหย่อนมีความกล้า ม, มีความเพียรมีความบากบั่นมีความเพียรพยายาม นี่อ่านที่จะลุกจากความเกลียดค้านที่จะสร้างความภาคเกลียดนี้เกิดขึ้นที่จะประคับประคองเมตตานั้นให้ไปถึงจุดหมายใลายทางอันนั้นเขาเรียกว่าความเพียดประการต่อมาก็คือว่ามีสติสติในที่นั้นก็แปลว่าระลึกไม้มีมความระลึกได้ระลึกว่าถ้าเราจับเจริญเมตตาให้กับตนเอง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 เมื่ออาศัยสติในการที่เข้าระลึกบ่อยๆและ้ะไอตัวสมาธิก็ต้องไปตั้งมั่นในอารมณ์นั้นๆที่เราจะแผ่ให้ด้วยประการสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ก็คือว่าปัญญาในการที่จะต้องรอบรู้ว่าไอที่เกิดขึ้นในใช่เมตตาเพราะสภาวะของเมตตาเนี่ยบางครั้งมันก็ต่างมันครั้งเน ก, ก็ก็บอกไม่ออกว่าลักษณะของเมตตาเป็นต้นนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นการกล่าวเบื้องต้นนะเนี่ ประการแรกก็คือว่าการเจริญเมตตาเนี่ยถ้าในแง่ของด้านวิชาการทั้งด้านข้อมูลทางคำสอนเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมวิหารคำว่าพรหมวิหารเนี่ยวิหารละแปลว่าเครื่องอยู่หรือว่าแปลว่าที่อยู่ถ้าพรหมวิหารเนี่ยมาจะคำว่าพรหมมุโนวิหารโรพรมวิหารโรธรรโมก็แปลว่า ทมเป็นเครื่องอยู่ของธรมธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพรมเนี่ยชื่อว่าพรมวิหารคาว่าพรมเนี่ยในอัตถกถามูลปริยา ย, ยาสูตรเล่มที่สิบเจ็ดนี่ยนะบอกว่าจเจริญแล้วด้วยคุณวิเศษเหล่านั้นจึงชื่อว่าพรมหรืออีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าคาว่าพรมในที่นั้นเน่เป็นชื่อของเท้ามหาพรมก็ได้เป็นชื่อของพระตถาคตก็ได้ เป็นชื่อของไทมเป็นชื่อของบิดามารดาหรือเป็นชื่อในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอันนั้นเขาเรียกว่าผมฉะ่นั้นอีกศัพท์หนึ่งเนี่ยคำว่ามารดาบิดาเป็นผมหลวงบุตรดังนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ดูให้ดูอะไรให้ดูว่าพ่อและแม่เนี่ยรักบุตรอย่างไรสมมติเรา พ่อแม่มีบุตรคนเดียวรักบุตรทนุทนอมบุตรมีความแนบแน่มมีความชื่นชมต่อบุตรคนเดียวไม่ให้ฉันใดลักษณะของจิตใจของพ่อแม่ที่ประเสริฐที่รักแล้วก็บูชาเออปาณาธนาดีต่อบุตรอันนั้นก็เป็นชื่อของพรหมนะคืมาเรียของค่าเมตตาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเทพทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น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 ถ้าถามวาภาษาไทยเนี่ยแปลว่าอะไรภาษาไทยก็แปลว่าแปลว่าความรักเมตตาเนี่ยแปลว่าความรักความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยธรรมชาติใดย่อมรักและมีความเยื่อใหญ่เหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเมตตาฉะนั้นลักษณะของเมตตาเนี่ยบ่งบอกถึงว่าธรรมชาติถือว่าธรรมชาตินั้นมีอยู่ในมิตรหรือย่อมเป็นไปแก่มิตรธรรมชาตินั้นก็เรียกว่า เมตตาเหมือนกันบางแห่งเขาก็เรียกว่าปรารถนาดีเรียกว่าเมตตาเรียกว่าไมตรีอย่างนี้รเงี้ยความปรารถนาดีความเอื้ออาทรแล้วก็ความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขลักษณะแห่งความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขเนี่ยนะความสุขที่ที่ปรารถนานั้นก็คือว่า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 มาตามิตรตังสเตคเรเขแปลว่ามารดาชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนตนก็บอกว่าในบ้านในเรือนของเราเนี่ยนะคนที่มิตรเป็นมิตรก็เราแท้ๆเนี่ยคือพ่อและแี่ลองลองมาก็ครูบายานนี่มีถ้าใครพ่อแม่ไม่มีแล้วก็แสดงว่ามิตรในเรือนเนี่ยหายอยู่แล้วหมดหมดหมดมิตรในเรือนตนเ อีกความหมายหนึ่งบุคคลสมควรทําอริยชนพระริยเจ้าเป็นต้นให้เป็นมิตรหมายความว่าสหายเป็นมิตรของผู้มีความต้องการหนึ่งหนึ่งหรือผู้ต้องการเกิดขึ้นสหายเป็นผู้ทําความสุขอริยชนก็ดีสหายก็ดีท่านเหล่านั้นต่างปารธนาให้บุคคลอื่นหรือสรพพสัตต์อื่นที่เกี่ยวพันกับตนมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง ประสบสิ่งที่ดีมีประโยชน์เช่นั้นจึงชื่อว่ามิตรฉะนั้นคาว่ามิตรหรือคำว่าบุคคลที่มีเมตตารนี่ยนะคนที่เป็นเพื่อนคนที่เป็นมารดาคนที่เป็นพรริยะบุคคลเหล่านั้นล้วนจะมีความปราถนาดีความหวังดีมีมิตรไมตรีกับเราอย่างแท้จริงไม่มีบาปอากุศลก็ไปเกือ้อพนกับจิตใจของบุคคลเหล่านั้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมิตรทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยให้ทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยมีอยู่สองลักษณะมันเป็นรักเทียมเมตตาเทียมนั่นอย่างหนึ่งรักแท้แล้วเมตตาแท้นั่นอย่างหนึ่งถ้ารักเทียมหรือเมตตาเทียมเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นความรักที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเช่น ความรักระหว่างเพศเพศตรงข้ามความรักความเยื่อใยในตัวต่อบุคคลน่ความรักที่ต้องการเศวตเวทนาหรือความสุขที่ได้จากสุขสมัมผัสความรักในลักษณะอย่างนั้นเป็นความรักเทียงอันนี้เป็นเมตตาเทียงเขาเรียกว่าตัณหาเตมมัไม่ใช่ตัณหาแท้ ทีนี้ลักษณะแห่งความรากักความปรารถนาดีความสุขสัมผัสเนี่ยนะเช่นความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของคนที่ตนรักเป็นความสุขของปุถุชนที่อยากให้บุคคลอืน่นมาบำเรอความสุขให้กับตนเองเป็นความรักที่คับแคบเป็นความรักที่อิง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 โดยปาเราบุคคลที่ตนรักตนถูกใจหรือชอบใจในเป็นใหญ่เป็นความรักที่ยึดถือผูกพันเป็นความรักที่เกิดจากตัณหาเป็นความรักที่ต้องการเอาคนอื่นมาทําให้เรามีความสุขเป็นความรักที่ต้องการความครอบครองเป็นเจ้าของเป็นความรักที่เร่าร้อน ลักษณะแห่งความรักเทียมย่างเนี่เ น, เนี่ยเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์มีจิดบกพร่องอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเมตตาเทียมไม่ควรจะเลยมเมตตาเทียมนั้นเป็นธรรมะที่ควรละเป็นธรรมะที่ควรปล่อยวางเพราะว่ายิ่งเจ็บคุ้นก็ยิ่งนำไหายาณ์มาสู่ในที่สุดจริงๆก็ประสบแก่ความวิบัติ ความขัดเคืองตามมาอันนี้เริ่มจะมองเห็นเลยนะว่าอันนี้เป็นรักเคียงไม่ใช่รักแท้เขาเรียกว่าตันหาเต็มมั้งถ้าเป็นความรักที่เต็มไปได้วยความยึดถือเป็นไปได้วยความเร่าร้อนเนะี่ย น, นั่นไม่ถูกต้องทีนี้ที่จะพูดถึงที่เราจะแผลที่เราจะอบรมที่เราจะเจริญกันเนี่ยนะอันนี้เป็นความรักแท้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 อะไรที่จะเป็นความสุขก็ปรารถนาที่จะทําให้เขาเพื่ออย่างเนี้ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้คิดว่าการกระทําเช่นนั้นมันจะได้อะไรตอบแทนมาแต่ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมื่ อ, อถอนปรารถนาที่จะทําให้ลักษณะความรักที่เป็นเมตตาแท้ๆเนี่ยเป็นความรักที่ จริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านเข้ามาในชีวิตของคนทุกคนพวกเราก็เคยมีมี ม, มาด้วยกันดังนั้นเนี่ยอุปมาเหมือนบอกว่าในชีวิตของพวกเรานี่ะ เ, เราเคยใช้น้ำกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำขุ่นน้ำใสเราก็ใช้กันมาสมมุติเนะว่าเราไม่รู้จักว่าไอ้น้ำขุ่นมันมีมีโทษน้าใส ม, มีมีประโยชน์เราไม่รู้นะแต่เราก็ใช้น้ำกันมาเป็นชีวิตจิตใจ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 ฉะนั้นเราก็มีความรักบุคคลนะบางครั้งก็รักแท้บางครั้งก็รักเทียมเนี่ยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือแท้อันไหนคือเทียมเราก็เราก็รักอ่ะเขาเรียกว่าใช้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นความรักฐานก็มาสู่กระแสจิตเราก็ดีใจแล้วขอให้เรามีความรักกับใครแล้วก็ให้แล้วก็ปราถนาดีแล้วก็เ อ, อือ้ออาทรแล้วก็ช่วยเหลือไปเนี่ยจะจะยึดติดหรือไม่ยึดติด จะเป็นประเภทที่เล่าร้อนตามมาเสียหายตามมาหรือเปล่าเราก็ไม่ได้แยกอันนั้นเขาเรียกว่ามองกลุ่มเมตตาไม่ออกแยกแยกเมตตาไม่ออกแต่พอวันใดวันหนึ่งเรามาศึกษาเรามาแยกแยะเรามาดูสภาวธรรมเรามาสังเกตเหมือนเราสังเกตน้ําพอมีคนมาบอกว่าคุณต้องสังเกตนะถ้าลักษณะน้ําคุณมันเป็นอย่างนี้อย่าง น, างนี้ถ้าเอาไปใช้หรือดื่มมากๆแล้วมันจะมีโรคเนี้วโรคอะไรต่างๆตามมาอีกเยอะนะ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 ทีนี้ก็เริ่มมาแยกแยะว่าความรักแท้เป็นความสุขอย่างแท้จริงสามารถยังบุคคลอื่นไม่มีความสุขด้วยทีนี้ถ้าหากจับประเด็นหรือข้อความตรงนี้ได้ความรักที่ปรารถนาจะได้อย่างเดียวเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของจิตใจ ย, ยังบกพร่องไม่สมบูรณ์การรักผู้อืน่นเป็นภาษาของการเรียกร้องผลประโยชน์ของตนเองดังนั้นอันนั้นไม่ถูกต้อง ส่วนความรักที่ปรารถนาจะให้และต้องการได้และเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจในระดับกลางๆทั่วๆไปซึ่งยินดีในการสละช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการตอบแทนด้วยอันนั้นก็เป็นความรักอย่างนั้นความรักที่ปรารถนาจะให้อย่างเดียวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่สมบูรณ์ ดวงใจดวงจิตนี้พร้อมที่จะมีให้ความรักและแต่สิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสรุปก็คือว่าเมตตาเนี่ยนะความปรารถนาต่อบุคคลที่ร่วมเนี่ยเนะี่ยเกิดมาร่วมกันเนี่ยความเป็นมิตรต่อกันและกันความเป็นผู้มีความรักความสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้น ความรักที่เป็นอกุศลอันนั้นไม่ถูกส่วนความรักที่เป็นเมตตานั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เกิดจากปัญญาสุ ข, ขุมรุ่มลึกเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังผลตอบแทนพร้อมที่จะเสียสละความสุกส่วนตัวให้แก่เพื่อนร่วมโลกเป็นต้นเราเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราดูจากลักษณะของเมตตานี่ยนะเมตตามีความเป็นไปโดยอาการเพื้อกูนะเป็นลักษณะ ลักษณะของเมตตาเนี่ยเบื้องต้นก็คือว่าดูหน้าตาเขาก่อนว่าเมตตาเนี่ยเขามีหน้าตาเป็นนึ่างไรเหมือนเราจะคบคนก็ต้องดูหน้าตาเป็นอย่างไรทีนี้เราจะเจริญเมตตาเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าถ้าเมตตาเข้ามาอยู่ในใจเราเนี่ย <c oughs> เราจะรู้ได้ไหมยังไงว่าตอนนี้ใจมีเมตตาหรือใจมีโทสะก็ต้องดูก่อนเมตตาเนี่ยนะ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 และในขณะทำไปก็ทำด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและใจที่คิด ก, ก็เป็นเมตตามโนกรรมดนะ้วยอันนี้เขาเรียกว่าเอื้อมประโยชน์ไปให้ยื่นประโยชน์ไปให้อันนี้คือกิตของเมตตาเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วที่ผ่านมามันก็เคยมีใช่ไม่รัแต่เราอาจจะไม่เคยตรึกให้มันละเอียดแล้วออ น, นั่นเองว่าเออ่อเราเคยทำวาแล้ว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 บางทีก็น้อมนาปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งเล้ฮือทกชี้โทษว่าสังสารวัตรนี่มีภัยนะรอบด้านอุทกกับภัยวาราภัยอาคีาภัยโจระภัยราชาภัยเยอะแยะภัยจากน้ําจากไฟจากลมจากโจรจากพระราชาจากโรคภัยแท้ในที่สุดก็จริงก็ภัยจากกิเลส ในการเรียนไหวได้เกิฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเห็นภัยที่ปรากฏโดยเฉพาะหน้าเหล่านี้ท่านบ่มติดขาสามให้บริบูรณ์เพื่อจะพ้นจากสังสารวาัฏเสียเนี่อันนี้เ้าเรียกว่าน้อมปรมาตถประโยชน์ไปให้ที่เราน้อมไปให้นี่น้อมได้เพราะอะไรเพราะเรามีเมตตาเลยเพราะมีเมตตาจึงได้น้อมประโยชน์เหล่านั้นไปให้เขาน้อมประโยชน์ในปัจจุบันบ้างน้อมประโยชน์ในภพหน้าบ้างน้อมประโยชน์อย่างยิ่งไปให้เขาบ้าง อย่างนี้ก็เพราะว่าเรามีเมตตาเรามีความรักเรามีความปรารถนาดีมีเขาเรียกว่าน้อมประโยชน์เพื่อกูลไปให้ประการต่อไปถ้าเาสังเกตบอกว่าเมตตานั้นจะมีหรือไม่มีก็คือว่าดูในใจของเราบอกว่ามีการนำเอาอาคาตออกไปเสียได้เป็นเครื่องปรากฏอาคาตะวทถววัทูวอันเป็นที่ตั้งแหงความอาคาตหรือความขัดเคือง วัฏวนเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาดหรือความขัดเคืองในนีนะ้บอกว่าเท่นว่าเขาว่าเราเนี่ยเข า, าตาหนิเราเข า, าเพ่งโทษเราเขาทำความเสียหายให้กับเราเข า, าจะทาความเสียหายให้กับเราเขากำลังทำความเสียหายให้กับเราพอเราเจออารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งอาฆาตสามารถนำความอาฆาต นำจิตพยาบาทเหล่านั้นออกทิ้งไปได้อันนี้แสดงว่าเมตตามันมีผลถ้าถ้าจับตรงนี้ออกไม่ได้แสดงว่าเมตตาไม่มีผลฉะนั้นเมตตาจะมีผลหรือไม่มีผลเนี่ยก็ต้องดูออกว่าเมื่อเราอบรมเมื่อเราเจริญเมื่อเราบ่มเมตตาแล้วเนี่ยไอความอาฆาตความพยาบาทความคิดงุดหยิด ต, ต่างๆเนี่ยมันมันหายไปมันออกไปจากใจ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 แต่เวาลาส่งไปแต่ละคนจิตก็เศร้าหมองคือมันไม่รักใครได้เลยเนี่ยแสดงว่าเมตตางเราไม่มีเลยนะมันแห้งแรงมากเลยแสดงว่าเราเสียหายมากเลยคือมองไปหาใครใจมันก็หดถูใจมันก็ไม่ไม่ยื่นประโยชน์ให้เขาเลยจะรักจะปรารถนาดีจะเอื้ออาทรจะหวังดีต่อเขาสักหน่อยเนี่ยไม่เกิดเลยมีแต่เศร้าหมองเศร้าส้อยหถู มีปัญหาทั้งด้านความคิดแล้วอย่างนี้มีปัญหาทั้งด้านความคิดแน่นอนถ้าเป็นคนไข้เขาเรียกว่าโคมา่าแล้วอย่างนี้ต้องเข้าห้องไอ u ูเนี่ยถ้าถ้าถ้าพูดตามภาษาคนไข้นี้แต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจะตายแล้วคือตายจากคุณธรรมของพระอริยะทั้งหลายมนุษย์โลกในทุกวันนี้โดยมากไม่รู้ว่าตัวเองใกล้ตายแล้ว แต่คว่าตายในที่นี้หมายว่าด้านจิตใจนะจิตใจมันหดหู่มันพ้อถอยมันเศร้าส้อยมันหงอยเหงามันงุดหิดมันฟุ้งซ่านมันหาความเบิกบานหาความสาลานใจไม่ได้เลยมองไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างไม่ได้มีเมตตาธรรมเลยมองเห็นสัตว์ในด่านก็งุดหด แทนที่จะเมตตาเขาเนี่ยนะมองเห็นคนอยู่ใกล้ๆก็หงุดหงิดเห็นทีไรก็เหมือนมันมันหงุดหงิดไปหมดเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคนป่วยหนักเลยทั้งด้านจิตใจเนี่ยนะต้องแก้ไขวิธีแก้ไขก็คือว่าต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิแล้วอบรมเจริญเมตตาให้ได้ทีนี้การฝึกหัด อบรมในการที่จะเจริญเมตตานั้นเนี่ยต้องทําแบบมีรูปมีแบบมีร่องมีรอยนี่ไม่ใช่ทําแบบสเปดสะปะแบบประเภทที่ว่าเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยอย่างนี้จะออกไปแข่งขันกับเขาแต่ไม่เคยปริซ้อมไม่เคยฝึกหัดโดยสํานวนก็คือว่าไม่มีครูฝึกเองอ่ะคนที่ฝึกเองแบบไม่มีครูเนี่ยนึง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 คนส่วนมากจเจริญเมตากันไม่ถูกไอ้ที่บอกจเจริญเมตากันไม่ถูกเนี่ยจะบอกว่าจเจริญเมตตาไม่เป็นก็ได้ไอ้คำว่าไม่ถูกก็ไม่เป็นก็อันเดียวกันนั่นคือจเจริญไม่เป็นแต่คนส่วนมากท่องเมตากันได้เออลองลองไปเจอหน้าใครก็ไปถามดี ส, สัตว์เพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแต่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรต่อกันและกันเลยเป็นต้นเขาว่างเขาได้หมดแต่คนคนนั้ น, น่ะที่โกรธมากที่สุดในเบื้องหลังหรือการกระทํานี่ยแต่เขาท่องเมตตาไ ด, ได้ได้ได้เก่งมากหมาว่าพูดถึงตรงนี้ก็กระเทือนถึงพระที่จริงพราเนี่ยน่าจะเป็นตัวนำอย่างการแผ่เมตตาหรือเจริญหรืออบรมเมตตาแต่ผลสุดท้ายที่ตามมาในสังคม ท, ทั่วไปอันนี้ถ้าก็เถือนถึงใครก็ขออภัยไม่ใช่พูดธรรมะเพื่อกระทบตนและขม่มวุ่นแต่พูดให้เห็นภาพขึ้นมาว่าภาพะองค์ขี่โกรธมากจริงๆอันนี้บ่งบอกให้เห็นว่าเมตตาไม่เกิดทีนี้เมื่อเมตตาไม่เกิดก็บ่งบอกว่าท่านผู้นั้นเจริญเมตตาไม่จริงหรือเจริญเมตตาไม่ถูกอะถ้าพูดตามภาษาหมอเขาบอกว่าคนไม่มีลูกนี่ก็ว่าเป็นหมันเะย ถ้าเจริญเมตตาไม่ออกก็เป็นหมันทางการเจริญเมตตาเนี่ยเจริญแล้วมันมันติดแค่ริมที่ปากอเวลาจะท่องเมตตาเนี่ยมันก็ติดอยู่แค่ริมที่ปากท่องเมตตาไปได้แต่ใจโหดร้ายเนี่ยอันนี้ไม่ลักษณะเมตตาไม่ได้เป็นในลักษณะนี้ฉะนั้นเมตตาต้องมองเห็นบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นต้องเจริญตาเจริญใจเราสังเกตได้ไม่ยาก ถ้าเราฝึกจเจริญเมตตาสักประมาณสามสิบนาทีประมาณชั่วโมงนี่นะคิดใหม่เอาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงเพื่อนคิดถึงบุคคลอื่นคิดถึงคนที่เขาไม่ชอบเราเราไม่ชอบเขาอะไรก็แล้วแต่นี่นะใจมันเป็นปกติแล้วก็มีความรักความปรารถนาดีขดจัดความมาคาาเหล่านั้นได้แสดงว่าเมตตาเริ่มมีผลต่อไปคิดถึงพวกกลุ่มสัตว์เดรัจฉาน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 มีความระ ง, งับเป็นไปแห่งพยาบาทเป็นสมบัติของเมตานะั้นถ้าถามว่าสมบัติคุณสมบัติหรือคุณเครื่องเลยเนะีต้องระ ง, งับพยาบาทได้พยาบาทต้องไม่เกิดไม่ใช่ว่าถ้าจเจริญเมตตาแล้วยิ่งงดหงิดอันนี้ใช้ไม่ได้แม้นแต่ผู้บรรยายเองเนี่ยนะถ้ากลายเป็นคนที้งดหงิดเป็นคนพยาบาทอันนี้ผู้บรรยายก็ขาดเมตตาอยอันนี้จะใช้ไม่ได้ อันนี้ดูไม่ยากนะไม่ใช่ว่าโอ้โหพยายามจะแนะนำให้คนอื่ น, นมีเมตตาแต่ตอนเรียนะโทรศัพทเกิดง่ายมากใครว่าอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้อันนี้เสียแล้ว น, นี่เสียแนี่เริ่มจะเข้าใจไหถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามเนะเดี๋ยวต่อไปจะได้ตั้งใจในการกระทําแล้วก็จะพยายามอธิบายตามทรงไปทีนี้มีปัญหาก็คือว่า อะไรล่ะเป็นความเสียหายของเมตตาเมตตากับตัณหาเนี่ยมันใกล้ชิดกันมากไอ้ตัณหามีความใกล้ชิดราคะโกรธพเนี่ยใกล้ชิดกับเมตตาเพราะเขามีสภาวะใกล้เลยถ้าเจริญเมตตาไปเจริญเมตตาไปถ้าเกิดความรักแบบตัณหาขึ้นมาปุ๊บเมตตาหายกเกลี้ยงเลยเข้าใจไหมสมมุติว่าเพศตรงกันข้ามแล้วก็มันเป็นอันตรายเนี่ย มันร่อแหลมอ้าเราไปแผ่เมตตาให้ใหม่ใหม่ที่ใจยังฝึกไม่ดีเนี่ยใหม่ใหม่มันรักแบบเมตตาพอคิดถึงไปคิดถึงไปราคะตามมาอันนี้เป็นความเสียหายไอต้ตัวเสน่หาตัวตัวตันหาเนี่ยมันเป็นตัวกัดกร่อนหรือทําลายเมตตามองเห็นไหมครับว่าต้องระวังต้องระวังแล้วว่าสภาพของเมตตามันจะเสียหายเพราะ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 ผู้ปฏิบัติหรือบุคคลที่จักอบรมเมตตาทำจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีให้เกิดขึ้นแก่สปปรรพสัตว์เมตตานั้นบัณฑิตพึงรู้ว่าอย่างนี้เอาเรานึกถึงคนที่มีลูกคนเดียวแล้วก็มีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนต่อบุตรยังไงอ้าวถ้าเราไม่มีบุตรล่ะเราจะรู้ไหมว่าไอคนที่เขารักบุตรเนี่ยรักยังไงรู้ เพราะเราก็เคยเกิดมาแล้วก็ต้องรักพอ่อรักแม่รักพี่รักน้องถ้าสมมุติว่าเรามีบุตรถ้าไม่มีบุตรไม่แเรารักหลานใช่ไหมสมมตเิเราเรารักแล้วปรารถนาดีนั่นเราเรานึกอย่างนั้นไอ้ความที่เรามีความรักบุตรของตนเองปรารถนาดีบุตรกับบุตรตนเองอย่างไรก็ไปนึกถึงกับคนอื่นแล้วเรารักรักคนอื่นเหมือนรักบุตรไหมต่างฤทธิโลกเลยเดีเยวนี้เริ่มเห็นใช่ไหมนีม่เมตตาไม่ออก ีเมตตามันจะกัดวงแล้วทำความรักเหมือนรักบุตรนั่นแหละเป็นไปกับสัตว์อื่นเป็นไปกับบุคคลอื่นทำได้ไั้ยทำแบบนั้ น, น, น ไ, ด ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้ถ้าทำไม่ได้เจริญเมตตาไม่ได้ถ้าเจริญเมตตาไม่ได้กรรมฐานอื่นพับไว้ก่อนอันนี้พื้นานะฐานสัพพะทักกะกรรมฐานที่เป็นเมตายัางเอาไม่อยู่ เมตตากรรมฐานอื่นก็เริ่มจะมี้ัญารักทีนี้ท่านจึงสอนไงคนที่จะอบรมหรือจเจริญเ ม, มตตานั้นให้รักตนเองที่เป็นที่บอกว่าอาหางสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดนะอาหางอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอาหางอพยาปชโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าย่าได้มีจิตทิฏฐิยาบาดอาฆาตตองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยอาหารอันมีโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความรู้กายรู้ใจเลยอาหารสุขขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตในให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เขาเรียกลักตนแผ่เมตตาให้ตนอธิษฐานให้ตนเองนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญ สมปรารถนาที่ตนเองตั้งใจให้พรตนเองอย่างนี้นทำได้ไถ้าทําได้จนเกิดความจับจิตจับใจนี่นี้ลึกซึ้งตนเองอย่างแทาจริงแล้วก็ส่งเมตตานั้นให้กับบุคคลอื่นเหมือนกับให้ตนเองเขาจึงบอกความรักนี่เอาตนเองเป็นพยานเขาว่าแล้วเวลาแผ่ให้กับบุคคลอืน่นก็จะได้ชัดเจนตรงนีน้นี่เป็นอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาปราถนาดีให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ฉะนั้นเมตตานั้นเน่ท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือบัณฑิตทั้งหลายเพิ่งรู้อย่างนี้ความสงบนิ่งแห่งจิตในการบำเพ็ญอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลปรากฏเรารู้บอกว่าเมตตามันมีผลตรงไหนถ้าเราแผ่เมตตาไปเนี่ยจิตไม่สงบไม่ดิ่งไม่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างนี้นะ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 เมตตาเนี่ยเป็นธรรมฝ่ายบุญเป็นธรรมฝ่ายขาวเป็นกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับเมตตานั้นเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นธรรมฝ่ายดำเข้าใจว่าตอนนี้มีเมตตาปอย่าให้มีถีนะมิท่าทำใจให้ล่าเริงก็่างนั้นข่าศึกใกล้ของเมตตาได้แก่าราคะดังที่ได้กล่าวคือความกําหนัดความยินดีในการมาคุณ มีส่วนเข้ากันได้โดยมองในแง่ที่เป็นขุนด้วยกันเหมือนศัตรูของบุรุษผู้อยู่ใกล้ชิดกันย่อมให้โอกาสทำร้ายได้เร็วกว่าศัตรูที่อยู่ไกลเขาถามบอกว่ า, วาทำไมไม่เป็นพยาบาทที่เป็นศัตรูใกล้ใช่ไหทำไมจึงกลายเป็นทาไมจึงกลายเป็นไอ้อโลราคะทำไมราคาจึงเป็นศัตรูใกล้ๆ เพราะราคะเนี่ยอยู่ใกล้กับเมตตานั้นเวลาสิ่งที่จะทำลายเมตตาได้เร็วกว่าเขาที่สุดก็คือราคะเส่วนพยาบาทหรือโทสะเนี่ยเขาอยู่ไกลอยู่คนละทิศอยู่คนละประเทแต่เวลาเมตตาในความรักเนี่ยเออมันรักเหมือนกันเลไอราคะก็รักเมตตาก็รักใช่ไหมรักแบบเมตตานี่เป็นความรักแบบประเภทที่ยึดมั่นถือมั่น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 ไอ้พวกวัตถุกรรมเนี่ยเนะรูปที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพ่อจะพอใจเป็นที่ตั้ง เ, เห่งความกำหนัดเห็นได้ด <bei> ้วยจักสุเส <ut> ียงที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งเห็นความกำหนัดซึ่งฟังก็ได้แก่โสตะกลิ่นที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งเห็งความกำหนัดรู้ได้โดยทางจมูกรสที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจรู้ได้โดยทางลิ้นโพธาภัสที่น้าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจ เป็นที่ตั้งแห่งความกรหนัดรู้ได้ด้วยทางกายฉะนั้นกิเลสคือราคะที่เรียกว่าราคานุสัยเนี่ยเป็นกิเลสที่อยู่ประจําซึ่งนอนฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของจิตใจของโลกียสัตว์ทุกๆจําพวกเว้นแต่ผ้าทหารฉะนั้นกิเลสดังนี้จึงมีอยู่แก่ทุกคนเมื่อกิเลสประเภทเนี้ยมีอยู่กับทุกๆคนแล้วเนี่ยจึงจึงต้องคอยละมัดระวงไอ้ตัวนี้วัตถุกรรมส่วนกิเลสกามก็คือว่า ความพอใจรากเง่าความพอใจความกำหนับเป็นต้นเหล่าเนี้เนะีความที่เข้าไปยินดีทั้งหลายเหล่านี้ตรงนี้เราก็ต้องพยายามป้องกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นค่าศึกใกล้ของเมตตาส่วนค่าศึกไกลของเมตตาได้แก่พยาบาทพยาบาทก็หมายถึงความขัดเคืองใจคิดร้ายพยาบาทความรู้สึกปองร้ายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็น สภาวะของของพยาบาททีนี้ประการต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวในโอกาสต่อไปนี้เดี๋ยวก็จะให้พวกเราทั้งหลายก็จะเริ่มเริ่มฝึกกันนะนี่เราพอจะรู้ว่าลักษณะหรือสภาวะของของเมตานะั้นมันเป็นยังไงทีนี้ต่อไปก็คือจะแนะนำในเรื่องของการกำหนดหรือการเจริญเมตตาก็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 ไม่ค่อยมั่นคงแล้วจะนั่งได้ไม่ค่อยนานถ้าที่นั่งได้นานเนี่ยเขาเรียกว่าต้องตั้งกายให้ตรงในประกรณ์วิเศษในวิสุทธิมรรคเขาก็จะบอกวิธีการนั่งการนั่งให้ตรงก็คือว่าบางคนก็นั่งเพราะเพียบบางคนก็นั่งคู่ขาทั้งสองเข้ามาเนี่ยนยะกระดูกจะหลังสิบแปดข้อให้เหยียดตรงไม่งอ ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่านั่งแล้วฐานล่างมันดีเพราะฐานล่างดีเนี่ยเขาเรียกว่าท่านั่งนั้นมันชัดเจนท่านั่งที่ดีเนี่ยมันได้เปรียบไปเยอะจะเป็นท่านั่งที่นั่งได้นานแล้วก็สมาธิก็จะเกิดได้เลยบางคนบอกว่าการเจริญกรรมฐ า, านไม่จําเป็นต้องมีท่าคนคนนี้ไม่เข้าใจการกระทําทุกอย่างต้องมีท่ามีทางเท่านั้น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 เออเราจะจะปาลบเพื่อจะทําเมตตาให้เกิดขึ้นพอหลังจากทําท่าทางให้ดีเบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่าน้อมจิตก่เบื้องต้นเนี่ยนะน้อมจิตและลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้ า, ามีอิติปิโสพระควอะอะรหังสัมมาสัมพุทธโธเป็นต้นก็คือว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ า, าพระองค์นั้นหรือจะนะโมตัสสะก็ได้พระคารวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทโธ พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากจจากิเลสจักจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นอะทำไมต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนหมายถึงการขึ้นครูว่วาที่เราจักเจริญหรือมณติการกรรมฐานนี้ก็เป็นกรรมดานของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อเราเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วต่อมาก็บอกว่าข้าพเจ้านี้จัก จเจริญเมตากรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานหนึ่งที่พระบรมศ า, า, าสดาทรงฝากไว้เมตาก ร, รมฐานเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์อันประเสริฐเราทั้งหลายจะทำอริยทรัพย์กล่าวคือเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นในกระแสจิตเมื่อจะทำอริยทรัพย์กล่าวคือเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นในกระแสจิตก็ต้องชาระจิตใจของตนเองให้สะอาด ปราศจากทีเลเครื่องเศร้าหมองเครื่องเร่าร้อนกระทาความยุ่งยากใจทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าปริโภคออกไปจากใจให้หมดไม่ว่าจะเป็นความกังวลในที่อยู่ความกังวลในอาหารการบริโภคความกังวลในเสื้อผ้าความกังวลในการงานต่างๆเหลนะ่านั้นตัดทิ้งให้หมดเลยตัดปริโภคเครื่องกังวลใหญ่หญๆต่างๆเหลนะ่านั้นออกไปจากกระแสจิตเสี้ย ว่าเราตอนนี้จับมนติการกรรมฐานของพระพุทมีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นของสูงเป็นของใหญ่เป็นของละเอียดเป็นของที่มีคุณค่าฉะนั้นเมื่อมนติการหรือตั้งกระแสจิตไว้ได้อย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็คือก็น้อมจิตระลึกถึงตนเองทำเมตตาคือความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอรให้เกิดขึ้นในใจเบื้องแรกจริงๆนยนะท่านให้พิจารณาเห็นโทษ ของโทสะและให้พิจารณาเห็นอนิสง์ของเมตตาทําไมจึงพิจารณาเห็นโทษของโทสะทําไมจึงต้องพิจารณาเห็นอนิสง์ของเมตตาเพราะว่าโทสะเป็นคุณเครื่องที่ทําให้จิตนั้นเล่าร้อนโทสะเนี่ยเนี่ยเป็นคุณเครื่องที่ทําให้จิตนั้นเล่าร้อนเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วแล้วเราๆล่าแล้วเนี่ยเนก็จะระงับโทสะนั่นได้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 ก็ให้พิจารณาดูบอกว่าโทสะเหมือนไฟเมตตาเหมือนน้าถ้าโทสะเกิดขึ้นเผาแห้งหมดเลยน้ำน้อยๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดับไฟนั้นได้ทีนี้ถ้าจิตประกอบไปได้วยโทสะใจของเขาก็จะไม่บริสุทธิ์เมื่อใจไม่บริสุทธิ์ถ้าเขาดูทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เป็นต้น เขามองไป้าทิ่ใดๆก็จะมองด้วยจิตที่ขุ่นเคืองขัดเคืองเลือด ก, ก็จะโฉบผีดต่อจากนั้นก็จะเป็นเหตุแห่งความดุดันเกิดขึ้นความเสื่อมถอยก็จะเกิดขึ้นคุณธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นก็จะเกิดแห่งและจะขายไปฉะนั้นให้เห็นโทษของโทษสาอย่างนี้ท่านบอกว่าให้คนเอาเรื่อย มาตัดเราให้ขาดเป็นสองท่อนสามท่อนอยังดีกว่าถ้าใจเรามีโทสะให้คิดอย่างนั้นนียเพราะพุทธเจ้าท่านอุปมาทีนี้ให้เห็นคุณของขันติบอกพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นก็เพราะว่าได้อบรมหรือเจริญขันติเป็นต้นฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นโทษของโทสะเห็นคุณของขันติโดยประการต่างๆอย่างนี้แล้วก็นั่งหลับตา พอระบตาเบษษีเสร็จก็ระลึกถึงตนเองพอตามรละลึกถึงตนเองเบื้องต้นเนี่ยก็ถามตนเองในใจว่าสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการในขณะนี้นี่นะไม่ว่าความหวังความปรารถนาหรือความต้องการเหล่านั้นจะเป็นในด้านของจริยธรรมคุณธรรม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 ให้พรตัวเราเองว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการอยู่นขณะ น, นี้ขอให้สาเร็จแก่ข้าพเจ้าโดยเร็วขอให้สาเร็จแก่ข้าพเจ้าโดยสะดวกขอให้สาเร็จแก่ข้าพเจ้าโดยง่ายขอให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าโดยสิ่งที่ข้าพเจา้ามุ่งหวัง หรือปรารถนาซึ่งเป็นความดีความงามนั้นขออย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขาัดขวางข้าพเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่เราตั้งจิตปรารถนาอะไรต่างๆแบบนั้นเพราะว่าเมื่อเราตั้งกระแสจิตไปในตนเองอย่างนี้แล้วเนี่ก็ทากระแสจิตกล่าวคือความตั้งมั่นให้เกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวแล้วว่า การที่จะทําจิตให้ตั้งมั่นเกิดขึ้นในขณะนี้ได้ก็จะต้องทำศรัทธาให้เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าตอนเนี้เรากําลังเจริญเมตตาภาวนาคือการเจริญความรักความปรารถนาดีและความรักความปรารถนาดีในขณะนี้เรากําลังเพ่งสมาธิมาที่ตนเองเรามีศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยทำให้สัตว์ผู้ปฏิบัตินั้นพ้นจากวะตฏะพ้นจากกองทุกข์ได้จริงตอนนี้เราปรารถนาความสุขแล้วปรารถนาความไม่มีเรนความไม่มีภัยให้กับตนเองแล้วเราก็ลังตั้งจิตประกอบไปด้วยเมตตาและในขณะเดียวกันก็คือมีศรัทธาตั้งมั่นในตนเองด้วยตั้งมั่นว่าเรามีความเชื่อมั่น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 เมื่อเมตตาเกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเนื่องและเราก็แผ่เมตตาไปให้กับตนเดนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเชื่อว่าความปรารถนาความประสงค์ความต้องการที่เราปรารถนานั้นน่ยจะต้องเกิดขึ้นกับเราโดยแน่นอนแล้วเกิดขึ้นโดยเร็วและโดยง่ายด้วยเมื่อเรามีความเชื่อมีความต้องการมีความปรารถนามีความเชื่อมั่นมีความรักอย่างนี้เด็ดเ็จ ก็แผ่ความปรารถนาให้พรตัวเองอยู่อย่างเนี้แล้วแล้วเราเราเขาเรียกว่าพาลิตตว่าก็แปลว่าทำเมตานั้นให้เกิดขึ้นให้ต่อเนื่องแผ่เมตานั้นให้นั้นให้เป็นไปเหมือนกับกระแสน้ำให้เหมือนกับกระแสไฟให้เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายเมื่อเมตตาขณะนี้หมดลงก็ทำเมตตาขณะใหม่ให้เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างไม่ขาดสาย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 ทุกกายทุกใจเลยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดคำว่าอัตตภาวะในที่นั้นแปลว่าอัตภาพอัตภาพนั้นก็คือขันของเรานี่แหละคือรูปะขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันยินยานะขันน้อมขันห้าของตนเองร่างกายและจิตใจของตนเองนั้นเน่ ให้เป็นไปโดยการพ้นจากภัยพ้นจากเวรภัยทั้งหลายน้อมบอกว่าให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้พ้นจากพยันอันตรายทั้งหลายให้พ้นจากศัตรูทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกประสบแต่ความสุขและความเจริญอย่างต่อเนื่องแผ่เมตตาให้กับตนเองเล้วแล้วเราเล่าถ้าตนเองปรารถนาหรือหวังสิ่งใดก็ตั้งใจปรารถนาในสิ่ง น, นั้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อตั้งใจปรารถนาในสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องในความปรารถนาของตนเองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นก็ยังสรัทธาให้ตั้งมั่นขึ้นมีความเชื่อว่าคุณธรรมกล่าวคือเมตตาภาวนาเป็นต้นตลอดถึงกุศลธรรมทั้งหลายที่ส่อรักทกับเมตตาภาวนานั้นจงไหลให้เกิดขึ้นในกระแสจิตของข้าพเจ้า เมื่อไหลเกิดขึ้นในกระแสจิตของข้าพเจ้าจงเป็นไปในอัตภาพของข้าพเจ้านี้อย่างต่อเนื่องและทําให้ความปรารถนาความต้องการของข้าพเจ้าที่เป็นไปในกระบุญกระกุศล์เหล่านี้จงสำลิศผลโดยง่ายจงสํำลิศผลโดยเร็วโดยสะดวกโดยฉับพลันอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมากามาีดขวางหรือมาขัดขวางน้อมนึกในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าน้อมใจให้เป็นไปกับเมตตา เมื่อน้อมใจให้เป็นไจกับเมตตาดยลักษณะอย่างนี้มีศรัทธาตั้งมั่นอย่างนี้เด็ดเสร็จแล้วก็ใช้วิริยะประคับประคองวิริยะประคับประคองทําให้เมตตานั้นเกิดขึ้นให้ต่อเนื่องคําว่าวิริยะนั่นก็แปลว่าความเพียรพยายามให้ติดต่อตัววิริยะนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีความกล้าหาญมีความเพียรมีความพยายามในการที่จะลุกออกจากความ เกียด์คานลุกออกจากความถดถอยพอวิริยะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมองไปในสังสารวัตมองไปในสังสารจักรเมื่อมองไปแล้วก็เห็นสัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์ต่างๆนานาพวกอบายาสัตว์มีพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์ทะเเป็นต้นท่านเหล่านั้นเพราละความเพียรเวียนไปเป็นคนมากๆเพงกลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายในชีวิต เมื่อล้มละลายก็คือประสบความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนเราทั้งหลายพยายามตั้งความเพียรไม่พยายามทำให้ความเพียร น, นั้นน่ะมันถอดถอยลงไปถ้าความเพียรมันถอดถอยหรือมันหมดไปไอ้ความเพียรตัวนั้นก็จะทำให้จิตใจของ